สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่94ครับก็คือทำเทศนาบนภูเ ก, ก่าครับพัทคิวบทที่ห้าข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่12ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าฉันทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์ แล้วพระองค์จึงตรัสสอนกับว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติดเตียนข่มเหงและดินทาว่าร้ายทั้งหลายก็เป็นความเท็จเพราะเราก็เป็นสุข จงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเร็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้คมเหงผู้เผยพระชนะทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันเป็นครับคาเทศนาบนภูเขานั้นเป็นคําเทศนาที่เปียซูทรงเทศนาในช่วงปีแรกของการทมพันธกิจนะครับถ้าหากแบ่งคําเทศนาออกเป็นห้าช่วงนะครับในชีวิตของรปเยซูการรับใช้ขณะที่พระองค์ได้ทรงอยู่ในโลกนี้นั้น คำเทศนาบนภูเขานั้นก็จะเป็นคำเทศนาช่วงที่หนึ่งหรือตอนที่หนึ่งนะครับจากห้าช่วงหลักหรือห้าช่วงใหญ่ๆพี่น้องครับแม้ว่าพระเยซูจะทรงสั่งสอนเหล่าสาวกของพระองค์แต่ก็เป็นไปได้ที่จะมีคนอื่นๆลายล้อมฟังคําสอนของพระองค์พระเยซูนั้นเป็นครูที่สร้างความประทับใจกับนักเรียนนักศึกษาสาวกที่ติดตามพระเยซูเป็นอย่างมากประชาชนนิยม ช, มชมชอบพระเยซูมากครับ พูดง่ายๆว่าพระเยซูนั้นกำลังติดติดโผลนะครับที่รับความนิยมชมชอบสูงในสมัยนั้นสมัยนั้นนะครับเราพบว่าการเรียนการสอนนั้นถ้าหากว่าเรียนบนภูเขานะครับก็แสดงว่าพระเยซูนั้นขึ้นไปอยู่บนภูเขาครับในข้อที่ห้าครับพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนเป็นลมากดังนั้น ในบทที่ห้าข้อที่หนึ่งนะครับท่านทอดพัะเนตเห็นคนเป็นนั้นมากดังนั้นพระเยซูก็ทรงเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์ก็มาเฝ้าพระองค์น้องครับคำเทศนาบนภูเขานี้จริงๆในภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้คำว่า sermon on the mount นะครับหรือที่เรียกว่า b e a t i t u d e หรือ b e a t i t u d e นะครับ sermon on the mount นันครับเดิมนี้ เขาเรียกว่า beatitude นะครับภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นภาษาละตินนะครับแปลว่า happiness นะครับหรือว่าความสุขนั่นเองคําทิศนานี้มีอยู่ในพระธรรมมัทธิวถึงสามบทด้วยกันนะครับซึ่งเป็นประคำที่เกี่ยวข้องกับคําเทศนาบนภูเขานะครับแต่ตอนนี้จะเป็นพรแปดประการนะครับเป็นพรแปดประการและและตอนก็เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับในพระธรรมลูกาด้วยครับ คำเทศนาเหล่านี้นะครับมีไว้ไม่ใช่เพื่อสาวกและก็เพื่อคนในสมัยนั้นอย่างเดียวแต่ยังมีไว้เพื่อคริสเตียนในสมัยปัจจุบันด้วยสําหรับผู้ที่รับการทรงเลือกที่จติดตามพระเยซูก็ต้องดําเนินตามนะครับและรับคําสอนเดียวกันนี้เหมือนกับที่บรรดาสาวกและแคร์ทูธได้กระทำํำถามว่าทําไมครับที่จะต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันก็เพื่อจะดําเนินชีวิตตามแบบอย่างพระคริสต์นะครับเป็นชีวิตแบบสาวกครับและนี่คือท่าที ที่คิดเตียนควรจะมีน้องครับถ้าเราดูต่อไปนะครับเราจะพบว่าสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ก็คือเราจะเห็นว่าบ ท, บทที่ห้าและบทที่เจ็ดนั้นเป็นคำสอนที่กว้างที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ครับคำว่ากว้างก็คือว่ามีปริมาณมากนะครับมีถึงหนึ่งร้อยเจ็ดข้อด้วยกันและสามารถแบ่งนะครับสามบทนี้ออกเป็นสามตอนนะครับทีนี้เมื่อเราดูนะครับก็จะมี พระกัมภีรที่สอดคล้องกันก็คือในลูกานะครับลูกาลูกาที่สอดคล้องกับพรทั้งแปดประการนี้นะครับก็ล้อกันไปครับพรแปดประการในมัทธิวนะครับก็ล้อกันไปกับพรและวิบัตสี่ประการนะครับในลูกาบทที่หกนะครับพี่น้องครับถ้าว่าเราอ่านลูกาบทที่หกนะครับเราจะพบอย่างนี้ครับว่าความว่าโปรงทรงทอดพระเนตรแลดูเหล่าสาวกของโปรงตรัสว่าคนทั้งหลาย ท่านทั้งหลายที่เป็นคนยากจนก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของท่านท่านทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้อิ่มน้ำท่านทั้งหลายที่ร้องไห้เวลานี้ก็เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้หัวเราะท่านทั้งหลายจะเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านและจะไล่ท่านออกจากพวกเขาและจะประนามท่านและจะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็นคนชั่วช้าเพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์พี่น้องครับจากพรตรงนี้นะครับสีประการครับ ก็ ย, ยังนํามาซึ่งวิบัติอีกสี่ประการ น, นะครับในข้อที่ยี่สิบสี่ครับวิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่มั่งมีเพราะว่าเจ้าได้รับสิ่งที่แล้วโวมใจแล้ววิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่อิ่มน้ําเวลานี้เพราะว่าเจ้าจะอดอยากวิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่หัวเราะเวลานี้เพราะว่าเจ้าจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายจะยอว่าเจ้าดีเพราะบรรพบรุษของเขาได้กระทําอย่างนั้นแก่ผู้เผยพรชนะเท็จเหมือนกันพี่น้องครับในลูกาบทที่หกนี้ครับ ตั้งแต่ข้อที่สิบเจ็ดมานะครับเราจะพบนะครับว่านี่เป็นคําเทศนาไม่ใช่บนภูเขาครับแต่ณที่ราบแห่งหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า sermon on the plain นะครับก็คือคําเทศนาบนที่ราบณที่ราบนะครับแต่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้านี้เขาเรียกว่าเป็น sermon on the mount นะครับก็คือเป็นคําเทศนาบนภูเขาเพื่อนครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับความสุขแรกนะครับหรือ beatitude นะครับ หรือ s ซ r ร์เบอร์ออนเดอมาทนะครับเป็นพรประการแรกก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเราจะดูก่อนนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ครับขณะที่พระเยซูนะครับในข้อที่หนึ่งบอกว่าขณะที่พระเยซูทรงเทศน์นั้นนะครับสถานที่ที่นักบบราณคดีเชื่อว่าภูเขาที่กล่าวถึงในข้อที่หนึ่งนี้ครับก็คือเนินเขาที่มียอดเขาคู่ครับมีความสูงถึงหนึ่งพันสองรอยฟุตอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบเกลลี่ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Horn of h a t t h o n i n มีภูเขานะครับมีพื้นที่ราบบนภูเขาซึ่งประชาชนจะนั่งฟังในเวลาที่พระเยซูกำลังสอนได้นะครับข้อนี้ยังกล่าวด้วยครับว่าพระเยซูประทับลงสอนสาวกของพระองค์การทำเนียงของคนยิวนะครับรับใบนะครับหรือครูหรือผู้นำศาสนานยิวนะครับจะนั่งสอนเสมอครับชี้เห็นว่าการสอนของพระเยซูนั้นไม่เพียงแต่เป็นการสนทนากับผู้ที่ติด ต, ตามพระองค์ แต่เป็นเรื่องที่พระองค์จัดกับพวกเขาซึ่งเป็นคําสอนที่สําคัญมากนะครับก็คือต้องนั่งคุยกันนั่งสอนกันนะครับและเราทราบนะครับว่าในภาษากรีกนั้นคําว่าสาวกก็แปลว่าผู้เรียนครับหรือลูกศิษย์ลูกหาใ น, นเองหรือว่าผู้ที่ติดตามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับที่นี่บอกว่าสาวกของพระเยซูมาหาพระองค์นะครับแต่ว่าฝูงชนที่เชิญเขาก็ติดตามพระองค์ด้วยเหมือนกันคนเหล่านี้ครับมาจากแคว้นทศบุรีบ้างมาจากเยรูซาเล็มบ้างนะครับ มาจากยูเดียนะครับบางทีก็ข้ามไปถึงจอแดนพวกเขาไม่ได้ลังเลใจที่ติดตามพระเยซูขึ้นไปบนภูเขาครับเพราะว่าแรงติึงของพระเยซูนี่สูงมากนะครับและเขาขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะฟังคําสอนนะครับที่สอนบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ดูเหมือนว่ามีทางเดียวที่เบเยซูจะหนีไปจากฝูงชนได้ก็คือลงเรือและพายเอออนะรยเือออกจากฝั่งนะครับพายเรือออกจากฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งทีเดียวครับเราจะเห็นว่าพระเยซูก็ขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่ง นะครับในการที่จะหลบฝูงชนไปนะครับในข้อที่สอนครับดูแล้วไม่ค่อยสําคัญนะครับในข้อที่สองพบว่าอ่านว่าแล้วพระองค์จึงตรัสสอนเขาว่าแค่นี้เองครับสั้นๆครับแต่คําว่าแล้วพระองค์จึงตรัสสอนเขาว่านั้นเป็นคําที่สําคัญในภาษากรีกครับคํานี้จะใช้เมื่อคนหนึ่งคนใดกําลังเตรียมให้คําสอนที่สําคัญเท่านั้นความหมายก็คือว่าผู้สอนกําลังเปิดใจของท่านออกนะครับหมายความว่าพระเยซูนี่กำลังเปิดใจของพระองค์เอง ออกนะครับเปิดใจเปพูดสิ่งที่อยู่ในใจนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่านี่คือคำสอนที่มีความสำคัญมากนะครับหลายหลายคนท่องได้นะครับพรแปดประการที่อยู่ที่นี้นะครับอย่าลืมนะครับเบียที่จุดแปลว่า h a p ป i n เ s s นะครับใครก็ตามที่ทำนะครับภายใต้เงื่อนไขนี้เขาจะได้รับความสุขนะครับได้รับพระพรตามพระสัญญาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับเจ็ดวันที่ อยู่ต่อหน้าแปดวันครับโทษครับแปดวันที่อยู่ต่อมาเบื้องหน้าเรานะครับจะเป็นวันแห่งพระพรจริงๆครับขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรขอให้ความสุขนะครับของพระเจ้าสันติสุขของโรร่งนั้นสถิตอยู่กับท่านสันติสุขของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าให้นั้นไม่เหมือนที่โลกให้ครับเป็นสันติสุขที่สามารถมีความสุขท่ามกลางปัญหาท่ามกลางอุปสรรคท่ามกลางลมพายุแต่เรามีความสุขได้เรามีความสงบสุขได้ เรามีจอยได้อามีน